ا ل ل ه ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العقبة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلا للظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ب ع ه م بحسن ا إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أليكم كرناج الله سبحانه وتعالى ب ر ؤ و س บันดานใจพวกเราทุกคนใฝ่ <c oughs> หาความรู้แล้วก็มาชุมนุมกันที่ที่มสัสยิดเพื่อศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานขอให้เราอยู่ในบันดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรโดประทานความเมตตาให้มาล้อมในวงการเรียนรู้ให้ความสงบสงบสุข สงบสันติจากพระองค์ได้มาล้อมวงการเรียนรู้อัลกุรอานแลวขอให้พระองค์ได้โปรดให้พวกเราเป็นผู้ที่มีบรรดาอเลกาได้มาล้อมวงของเราขอดุอาให้พวกเราและด้วยการตั้งใจของเราในการศึกษาเรียนรู้พระดารัสของลอสุภาโนวัตตา ข้าพเจ้าขให้ Allah سبحانه และ ت ع, ع ت. ل ت ت د د ا ل ได้โปรดให้้ทุกคนที่ได้มาร่วมการเรียนรู้อัลกุรอานขอาพเจาขห Allah س และได้โปรดประทานริสกีที่ h า l a l ที่กว้างขวางให้พวกเราทุกๆคนขอเจาห a ได้โปรดช่วยเหลือให้เราได้พ้นจากทุกปัญหาในชีวิตของเรา ขอตัวพระองค์ให้ละอับพระนามและพระองค์ช่วยเหลือประชาชาติอิสลามให้พ้นจากวิกฤตต่างๆขอแล้วละอับพระนามและทรงเลือกพวกเราอยู่ในหมู่คณะที่พระองค์ใช้ให้ทางานศาสนาเผยแผ่ศาสนารับใช่ศาสนา ตลอาชีวิตขอให้ผมและกับพี่น้องทุกท่านนะครับได้ยินยาดในคำวา่าอิละฮะอิลหลลอทั้งวใจและปฏิบัติลขอให้ละอิละห์อิละหลลอถึงเป็นคำสุดท้ายที่เราได้เปล่งออกมาก่อนที่ดวงวิญญาณจะออกจากรางของเราอุลลอฮ์ถ้าหากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ มีมาลายครั้งมาเป็นสักขีพยานแล้วก็จะขึ้นไปทูลพระองค์ว่าเราได้โปรดถ้ามีการงานใดๆที่จะให้เป็นสาเหตุในการที่จะให้พวกเราได้เข้าวสวรรค์ได้โปรดให้การที่เราพยายามศึกษาเรียนรู้เข้าถึงอัลกุรอานได้เป็นเหตุผลหนึง่งในการที่จะให้พวกเรารับพระอนุญาตจากพระองค์ให้เข้าวสวนสวรรค์ของพระองค์ ครับเราได้ถึงอายะที่ห5สห้านะยังอยู่ในวาระหลักของสุรตะตว่าเป็นสุรทิ่เปิดเผยความชั่วร้ายของมุนาฟิกินอายะที่แฉความเลวร้ายของมุนาฟิกินนี่คือวรระสำคัญแล้วคำว่าเปิดเผยนี่หมายถึงว่ามันเป็น พฤติกรรมที่ไม่สามารถฟันธงไม่สามารถชี้ขาดว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายถึงแม้ว่าจะมี ต, ตัวท่านนับดุลลาหวบานี่ยจะมีความสงสัยความไม่พอใจความแข็งแต่เนื่งจากมรารยาของอิสลามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปัปกปํากล่าวหาแต่ในเมื่อ ข้อข้อเก่าหานี่มาจากอัลลอฮสุบฮานวะดาล่ะมันก็คือชัดไม่ต้องอุทธรณ์ไม่ต้องดีกาแล้วซึ่งเป็นเรื่องของความลับในหัวใจของผู้คนในกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในอิสลามในสารชเดียะเนี่ยจะมีพยาน เรอคู่กรณีขึ้นศาลกันแล้วก็สาบานกันขาอห้ามสาบานในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคู่กรณีผมสาบานว่าคุณเนี่ยคุณเนี่ยเจตนาสาบานแบบนี้ไม่ได้ไรู้ยังไงเจตนาเขาอะไรต้องสาบานในสิ่งที่มันมันพอที่จะชี้จุดได้สาบานว่าพฤติกรรมของของคุณเนี่ยมัน ซื่อว่าอาจจะเองแอนนี่อันนี้พอได้คือำนวนที่เราสาบานนี่จะไปจะไปควักไส้อะไรที่อยู่ในจิตใจในหัวใจของผูค้คนนี่ไม่ได้แต่นี่นี่ถ้าเป็นพระดำรัตของลัทธิสุภานุบาดาลเป็นกุานที่ลงมานี่นในวีรัสสาบานนี่ก็โลงอกลงใจเลยเพราะอันนี้อันนี้มันไม่ได้เป็นการกล่าวหา จากตัวเขาอันนี้เป็นการบอกจากอ AH ัลลอฮฺสุานหัวเช่นอายะนี้มันจะเป็นเรื่องที่ตัวท่านนับเีเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธพอสั่งการให้ไปจิฮาดที่สงครามตะ บ, บูกันนะแล้วก็พวกมุนาฟิกีนก็ก็หลีกเลี่ยงแล้วไม่ไป เขาก็มาสาบานต่อท่านนาบีว่าเขามีอุปสรรคจริงๆเขาไม่สามารถที่จะไปไปสู้รบจริงๆซึ่งคําสาบานนี้เดี๋ยวเราจะพูดพูดถึงคําสาบานนี้ว่าเขาเขามีอุปสรรคจริงๆแล้วเขาไม่ตั่งใจที่จะที่จะบิดผิวไม่ออกกระสรวงคำแต่ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่เราสภานวาระเอามาสมทบเอามาสมทบเพราะมันเป็นเรื่องยาวนานแล้วมันเป็นก่อนเรื่องสงครามตาบุกแล้วเอามาสมทบเพื่อ ย, ยืนยันว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่สงครามตะบุกนี่มันก็คือคือโะแตกอะหมายถึง่มันถึงจุดที่ที่กดดันให้เขาเนี่ยพูดอะไรที่มันแบบโอ้โหมันจะ คิดในแง่ดีเนี่ยมันก็ค่อนข้งางยากคือก่อนหน้านี้เนี่ยมุนาฟิกินเขาจะมาร่วมสนทนาร่วมพูดคุยกับผู้ศรัทธาแล้วก็สาบานว่าเราพวกเดียวกันนะอัลลอฮฺขอสาบานด้วยพระนามเราพวกเดียวกันนะแต่เวลาเขาไปไปอยู่กับพวกมุนาฟิกินด้วยกันนะี่ะนะ มันก็เป่าเราไม่ได้พวกเขาสัทีไม่ได้พวกมุฮัมมัดไม่ไดพวกมุสลิมสัทีแต่เราแค่พูดเล่นกับเขาเนี่ยเรื่องนี้นี่นะตั้งสตรอัลราอัลบกะราอักรฮดิงนาะขีอะอีลาาดตินีมลอินนมะกุมอินนมะน้ห์นูมุสตซอ a l l a i n เรื่องเนี้ยวาอยู้อีลาชนมุลูอินนมะกุมอินนมะนน์ู แต่เขาอยู่กับผู้ศรัทธาเขาบอกว่าเราเราเป็นผู้ผู้ศรัทธาเหมือนพวกท่านนี่แหละแต่เวลาไปอยู่กับพวกเดียวกันนะ่ะเขาบอกก็เปล่าเลยเราแค่พูดเล่นกับพวกมุสลิมเราพูดเล่นอัลลอฮ์ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมามายืนยันว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มีมาก่อนหน้านี้นะเพื่อยืนยันหลังจากนี้นี่ยอีกประมาณอีกประมาณเจ็ดปดอายะเนี่ยยืนยันในคําสาบานในคําสาบานหนึ่งว่า เขาสาบานว่าเขามีอุปสรรคเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบิดพิวกับท่านนบีสุลต่านอินยอรอสุฮ์ฮานะวะดาแล้วก็มายืนยันในความตอแหลความโกหกของพวกมุน افق ินในอายะที่ห้าสิบหกว่าเขาจะสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงพวกเขานั้น เป็นพวกของพวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันอินนาฮุมและมิ่งกุมอินนาฮุมพวกเขาและมิ่งกุมเป็นพวกเดียวกับพวกเจ้าว่ามาฮุมมิงกุมอันนี้คำอ้างของเขาเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะแต่คำยืนยันของเลาเนี่ยวะมาฮุมมิงกุมและพวกเขาหาใช่เป็นพวกของพวกเจ้าไม่อันนี้คือคำยืนยันของเรา หาใช่เป็นพวกเดียวกันไม่ไม่ใช่พวกเดียวกันเวนลากินหน้างเกาหมีแฟริกันแต่ถ้าว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหากพวกเนี่ยมันี่ค ว, พว่พวกพวกว่าอะไรพวกเราพวกมันพวกก็คือคนนี่ อยู่ร่วมกันในในกลุ่มเดียวกันในกิจกรรมเดียวกันส่วนมา ก, ก น, นะครับก็จะใช้กับกับกับกับเรื่องที่มันเป็นกิจกรรมที่สัมผัสได้แต่ที่สัมผัสไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นพวก เ, เช่นสมมตินะครับว่า คนจีนกับคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีพอเขาหน้าตีกันทุกคนใช่ไหมให้เราเป็นพวกเดียวกันเขาไม่ยอมรับรมันไม่เพียงพอหรือคนแอฟริกาทั้งทถวีปเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ใช่คนละเผ่ากันคนละอะไรกันส่วนมากในคำว่าพวกกันนะก็มหม่ถึงว่ากลุ่มเดียวกันมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาเนี่ย สามารถเป็นปรึกแผนเดียวกันอาญานี่เขามา ย, ย, ยืนยนอีกเรื่องเรื่องสำคัญนะของของคำว่าพวกคําว่าพวกเนี่เพราะมูนาบิกินเขามายืนี ย, น, ยนกับผู้ศรทาว่าเราเป็นพวกเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวก็คือเรื่องกิจกรรมเราร่วมกิจกรรมเราร่วมนี่ไงแล้ก็ละหมาดด้วยกันบางที น, นี่จีฮานนี่ก็วิ่งบางทีก็ไปกับท่นานนบีอย่างที่เคยบอกว่าไปเพื่ออุดอุด นี่ไงเราก็บริจาคนี่ไงพวกเดียวเราเป็นพวกเดียวกันคือมูนาบ ก, กีเขาจะมีเหตุผลไงเหตุผลที่จะเอาเราเป็นพวกเดียวกันเหมือนพักการเมืองตัว น, นี้เหมือนพักการเมืองตัวนี้พวกเดียวกันวันดีคนดีก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วอะไรประมาณเนี้แต่นี่เราบอกว่าว่าแม่ฮุมิกุมหาชัยเป็นพวกเดียวกันไหมเพราะอะไร เพาหัวใจอันนี้แสดงว่าเป็นเป็นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากอัลกุรอานว่าการที่มีส่วนร่วมกับผู้อื่นจะได้ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะจิตใจเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องมีความพร้อมกันนะไม่ใช่กิจกรรมไปในทิศทางแต่หัวใจในี่ไปไกับทิศทางทามันเคยยกตัวอย่าง การละหมาดบอกาบางคนนี่มาละหมาดเข้าละหมาดหัวใจคนที่ละหมาดบางคนน่ยน <Well ู่นเน่ยไปไปลอยอยู่ใต้บัลลังก์ของล์น่ะ anyway คือเขาเขาเขาถึงอัลลอ์แล้วในละหมาดแลบูมลลคนบิลคัลบูหัวใจของเขาเนี่ยถูกแขวนอยู่ภายใต้บัลลังก์ของลอ์ไปแล้ววะจูุนแลบูมลคุนบุแต่คนลมาดที่คนที่หัวใจของเขาเนี่ยอยู่ห้องน้า ก็หมายถึงว่าอยู่กับสิ่งที่ตกตำ่ำอันนี้เรื่องจริงละหมาดซอกเดียวกันบางทีเนี่ยก็ติดติดกันนี่แหละซอกเดียวกันแสดงว่าหัวใจนี่มีผลนี่อันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราสุภานวตาละ่ะทำไมถึงจะมองถึงหัวใจเป็นหลักมองถึงหัวใจนี่เพราะเพราะการงานของหัวใจนี่สำคัญกว่าการงานของอวัยวะ นบีจุมอกว่าอินนีมันกา์มัลุบินเนียดเลนี่คือเหตุผลว่าการงานชิ้นเดียวนะก็ขึ้นอยู่กับเนียตการละหมาดชิ้นเดียวก็อยู่ที่เนียดถือเสนอดก็อยู่ที่เนียดอ่านละหมาดก็อยู่ที่เจตนาสตาก็อยู่ที่เจตนาชีวิตของเรากันทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่หัวใจเหมือนกันชีวิตของพวกมุนาฟิกินเขาก็ละหมาดกับนบีก็แบบที่ห้ากับสตาก็ แต่ชีวิตของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่ดีไม่ไดีอยู่กับนบีไม่ไดีอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ไดีอยู่กับศาสนาแสดงว่าเราดูส่วนหมายถึงว่าองค์รวมมวลมวลเจตนาเพราะเราจะหาคนที่เจตนาทุกส่วนในชีวิตของเขาเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอาจจะยากแต่เราจะดูมวลเจตนาของของเรา บางทีละหมาดบางครั้งเราอาจจะไม่มีข้อล้ออีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีข้อล้อสอดคอกครั้งหนึ่งอาจจะไม่มีข้อล้อีอจจ่ครั้งน่ะจะมีข้อล้อทุกคนนี่ตรวจสอบตัวเองถ้ามวลเจตนาในชีวิตเนี่ยเอาสมมติว่าหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนมานั่งคิดดูสิที่เราละหมาด ก, กันที่เราอ่านกุฎอ่านกันที่เรามาฟังบรรยายกันที่เราสอดคอกกันที่เราทําความดีกัน รวมถึงรวมถึงเรื่องเรื่องที่บางคนนี่มองว่ามันไม่ไม่ต้องมีเจตนาทุกอย่างต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็คือทําความดีแต่ไม่มีผลบุญไงทําความดีกับพ่อแม่ทําความดีกับพ่อแม่นี่ยอยากได้ผลบุญของการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ก็ต้องเจตนาเจตนาว่าทําความดีกับพ่อแม่นี่เพราะสวามีภักดิ์ต่อเนาะไม่ได้ทําความดีกับพ่อแม่นี่พราอยากได้มรดก พอเดี๋ยวพ่อแม่เขาเามีตังถ้าเราไม่ทำความดีกับเขาเดี๋ยวเขาไม่เห็นตังหรือว่าทำความดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้ไม่ดา่าไอ้ลูกใครเนี่ยทิ้งพ่อแม่งเงี้ยเขาจะได้เขาไม่ด่ากันแล้วก็ดูดูแลพ่อแม่เราหน่อยเจ ต, ตนามันไร้เจ ต, ตนาที่ดีดูมวนเจ ต, ตนาของเรานะว่าจะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีจุดหมายมีเป้าหมายที่มันเช็คจรกับอัลลอฮ์ س ละ หรือไม่เพราะมันจะมีผลในการที่จะสถาปนาตัวเองว่าเป็นสมาชิกภาพของผู้ศรัทธาหรือไม่แต่ทุกคนนี่อ้างเราเนี่เป็นประชาชาติอิสลามเราเนี่เป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาอ้างได้คนก็กรรับได้แต่นะอัลลอฮ์นี่นะอัล ล, นะ ล, ลอ์อาจจะมีคำพิพากษาแล้วอวมาฮุมมิงกุมหาใช่เป็นพวกเดียวกันไม่ นี่เรายัางไม่ไดีมังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องอื่นที่ท่านนาบีสุลต่าเลวซันเลมบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมสื่อว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเช่นนี่ทําความดีแท้ๆนะในรูปแบบเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่บัญญัติมีบัญญัติอิสลามอยู่แล้วนะแต่แค่เจตนานี่ไม่ดีนะทำให้ไม่ใช่พวกเดียวกัน แต่ช่นไหนถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่มีบทบัญญตัติแต่มันจะสื่อว่าเราเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับผู้ศรัทธาด้วยเช่นการกระทำอันอันเป็นความเชื่อห้อยอาซิมัดห้อยสิ่งของขังอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมผู้ศรัทธากระทำหรือพูดสวมเครื่องนุ่มหม่มเครื่องประดับประดา ใดๆที่เป็นการเรียนแบบผู้ปฏิเสธตาเพราะนบีบอกมันจะชอบบาับ ah um เอนมเรียนแบบกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเขาก็เป็นพวกเขากตแสดงว่ญญามไม่ใช่พวกเราและนี่คือเหตุผลว่าฮาดีสไลบนะท์ทำไมท่านนาบีสุลลาได้พติกรรมบางอย่างเนี่ยใครที่ทำนี่นะไม่ใช่พวกเราเช่นคนที่โกงที่โกงคนที่ทรยศ ทรรยตสังคมมันเข้าไลซมินนะคนที่คนที่โกงคนอื่นเนี่ยไม่ใช่พวกเราคนที่ไม่ได้เมตตาผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่ใช่พวกเราไลซมินนม่มยารมซกใะยรัีรินไม่ใช่พวกเราพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือศาสนาอันนี้ไม่เห็นด้วย ยิ่งทำสิ่งที่ทำให้เราไม่ใช่พวกเดียวกับผู้ศรัทธานะเรายิ่งห่างไกลาจากความเป็นสมาชิกผู้ศรัทธาที่ท่นานวิว่า ม, บบ า, บมวามันจะ شبه ผู้ใดเรียนแบบกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดียาก็จะเป็นพวกเขาเหล่านั้นอิมามาเอิบนัยมียเนี่ย เขาจเดอะใจแบบ حديث นี้นหนืองจอิทธิกาอัติรากาองี่าญในเรื่องขอมแะศีลธรรมขออิสลามีเบอกว่ามอิสลามมีอยู่ร้อยประเด็นรอยเรื่องถ้าเราไม่ทำเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปเรียนแบบเขาเรื่องอื่นเราก็ถือว่าทิ้งเรื่องหนึ่งของอิสลามแล้วก็ไปทำเหมือน กลอื่นที่ไม่ใช่มุสลิ ม, มนะเหมืนะถ้าเหมืน่นของอื่นหนึ่งในร้อเราไม่ได้เป็นมุสลิมหนึ่งส่วนของหนึ่งส่วนไม่ได้เป็นมุสลิมออใช่สิเราสมมติฐานว่าอิสลามที่ทั้งหมดได้มีร้อประเด็นนะประเด็นหนึ่งเราไม่ทําแบบอิสลามเราทำแบบอยื่นสองประเด็นสามสี่หาลองมาจินตนาการนี่สมมติว่ามีเรื่องศาสนา เรื่องศาสนาเนี่เราต้องทำแบบอิสลามนะเราอย่าทำเหมือนอย่างอื่นละหมาดก็ต้องละหมาดแบบแบบฉบับแบบท่านนาบีถือศนลก็ต้องแบบท่านแบบฉบบของท่านนาบีอ้าวการแต่งกายก็ต้องตามหลักการศาสนาไม่ผิดหลักการศาสนาความเชื่อก็ต้องแบบความเชื่อแบบอิสลามนี่รวมทั้งหมดหมวดบวดต่างๆของอิสลามแสดงว่ามันมีโอกาส ที่จะมีมุสลิมห้าสบซห้าสบซไม่มีอะไรเหมือนอิสลามดูที่อะไรดูที่การแต่งกายของเขาดูที่ความเชื่อของเขาดูที่พฤติกรรมของเขาดูที่การปฏิบัติศาสนกิจของเขามีไหมมีมีมุสลิมไม้ยที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่เข้ามาสัสยิดแต่เขาวัด มีไหมะฮะ ม, ม, ม, ะมีมีมุสลิมมุสลิมที่ที่เชื่อในกุรานโอ้เชื่อในกุรานแต่ไม่เชื่ออ่ากุรานเป็นทางนําแต่แต่เชื่อว่าหมอดูนี่เป็นเป็นทางนำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ต้องตามหมอดูมีม ม, มีมีไหมุสลิมเนี่ยแต่งตัวแล้ดเนี่ย มุสลิมตรงไหนอยากจะรู้เนี่ยที่ทรงผมหรือที่ที่ใบหน้าหรือที่เสือ้อหรือที่กางเกงหรือที่ตรงไหนอห็ความเป็นมุสลิมอยู่ตรงไหนแทบไม่เจอเอา้าลองล อ, งอันนี้แค่ตัวนี่ภายนอกเขาพูดเวลาเขาพูดอนะนะเขาไม่มีอะไรที่จะบง่งบ่งถึงความเป็นความเป็นมุสลิมอะเออมันก็ต้องมีสิพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้อง สื่อถึงความเป็นมุสลิมอาญานี้น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมูนาฟิกีเนี่ยเขามายืนยันกับท่านนบีโอ้โหนี่คำยืนยันนี่ก็เหมือนที่เราก็ยืนยันกับตัวเองยืนยันกับคนอื่นเป็นมุสลิม่ะเป็นมุสลิมดูบัตรประชาชนมุสลิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรยืนยันจะไปทําฮัตเนี่ยจะว่าง่าแต่ก่อนนู้นนะนะก่อนที้จะมี ระบุในบัตรประชาชนว่าเป็นมุสลิมเนี่ยต้องมีใบรับอิสลามเพราะกฎของประเทศซาอุดีเนี่ยใครจะไปทําภาพอยู่รอเนี่ยไม่ใช่ประเทศมุสลิมนะต้องมีใบรับรองว่าเป็นมุสลิมแต่พอเป็นบัตรประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็อำนวยควาอำนวยความสะดวกอาเป็นมุสลิมอยู่แล้วบัตรประชาชนเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่มันใช่มันใช่วิธียืนยันที่จะใช้ได้กัอบอัลลอฮ์สุภาโนะหมายถึงอะไร มาเลย์า็มาเนี่ยคุโบนีจ้ะให้ดูบัตรประชาชนนี่เป็นมุสลิมในโลกดุนยานี่ตอนมีชีวิตเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเราก็ต้องสอนคนอื่นต้องบอกคนอื่นนะบัตรประชาชนนี่มันไม่ได้ช่วยยืนยันอะไรนะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตั๋วเข้าสวรรค์แต่อย่างใดนะแต่สิ่งที่จะยืนยันกับตัวเราเองโอ้ก็สมัยท่านนบีในมุนบิกีนัก็อเขาก็ยืนยันกันตัวเอง อันนั้นาบานด้วยสาบานด้ยย่อลิฟูนบิลลาฮีพวกเขาจะสาบานต่ออัลลอฮ์ซาบานนี่ถ้าใช้คําภาษาอับดุลลอฮีบิลลาฮีตัลลอฮีนี่คําสาบานถ้าจะใช้เป็นภาษาอื่นก็ได้ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์อันนี้คำซาบานคําสาบานตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าสาบานคำมุส ยามีนหัมูสคือสาบานแล้วก็รู้ว่าตัวเองในสาบานเท็จอันนี้ท่านนบีสุลต่านุล่าเสด็จมาเรืีว่าฮามีนฮัลหัมมูสเป็นแบบนี้ไงยามีนสาบานหัมูสลมตมตมตมมอะไรโอเลมักพบว่าจมในนรกทั้งตัวจมเป็นในนรกยามีนหัมูสสาบานเท็จเนี่ยไม่มีไม่มีสิ่งที่จะไถ่โทษได้ นอกจากเตาบัตรตัวมันไม่เหมือนสาบานอื่นที่ไม่ใช่สาบานเท็จสาบานด้วยความเชื่อจริงๆเขาไม่รู้เขาไม่ได้โกหกแต่ปรากฏว่าความจริงเนี่ยมันไม่เหมือนที่เขาสาบานมาเล่าเรื่องอุบัติเหตุนี่นะอุบติเหตุปากซอยนี่อย่างี้เอ้ยไม่จริงอ้ยไม่จริงแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็น สายตาไม่ค่อยดีอะไรสักอย่างอันที่เขาไม่ได้ตั้งใจสาบานเท็จอันนี้ต้องทํามาหลายใ น, นต้องถ่ายโทษถ่ายโทษสาบานผิดสาบานนี่ถ้าถ่ายโทษนี่ก็คือให้อาหารวิสกินสิบคนหรือให้เครื่องนุ่งห่มสิบคนโซโลงสิบผืนอะไรเงี้ยยาบสิบผืนหรือปอยธาตุซึ่งป่อยธาตุตัวนี้ก็ไม่มีละ เราก็จะบอกว่าถ่ายโทษสาบานนี่เขให้อาหารมิสกินคนยากจนเนี่ยสิบคนหรือเครื่องนุ่งหม่มสิบผืนสิบคนถ้าไม่มีนะถึงจะถือสินอดสามวันติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันอันนี้คนที่สาบานเจตนาว่าเออความจริงแล้วก็มันเขาเชื่อเป็นความจริงเขาไม่ตั้งใจว่าจะโกหกอันนี้เนี่ยถ่ายโทษ ด, ด้วยสาบานได้มีคน สาบานว่าจะไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนั้นน่ะประโกนเป็นเรื่องดีโกรธโมโหแล้วโกรธญาติพี่น้องเขาโอยพวกนี้เนี่ยขอสาบานว่าฉันจะไม่เหยียบบ้านเขาอีกแล้วอันนี้มีเยอะมีเยอะสาบานว่าจะไม่ทําความดีอะไรเงี้ย อันนี้นท่านดบบิสโซลลอร์เลยส่วนลำบอกว่าผู้ดทสาบานว่าจะไม่ทำความดีอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยให้ถ่ายโทษคำสาบานแล้วก็ไ ป, ก, ไปกระทาความดีซะศา ส, สนาส่งเสริมให้ผิดสาบานนะแล้วไปถ่ายโทษซะอีกบทหนึ่งท่า น, นาบซลลอลยวลบอกว่าการที่เราได้ผิดสาบานแล้วก็ถ่ายโทษเนี่ยน้าอัลลอฮ์นะี่ดีกว่าที่เราจะยืนยันในคำสาบาน คือบางคนนี่ยอู้สาบานแล้วเนี่ยฉันจะทผิดพิวยนได้ง่ายสาบานแล้วสาบานแล้วว่าจะไม่หาพี่น้องเขาคือบางทีพี่น้องนี่แตกกันจะมาไม่เดีฉันไม่เยียบบ้านเขาอีกแล้วน้องแท้แทนี่พี่แทแ้แทนไม่เยียบบ้านเขาอีกแล้วมีคนบออนี่เป็นพี่แท้แท้เป็นน้องแท้แท้แล้วทํายังไงเหรฉันสาบานไว้แล้วอะไม่ต้องไม่ต้องวาระไม่ต้องวเราะทําทผิดสาบานเลยแล้วก็ไปถ่ายโทษเลยแ บ, บีบอกว่านี่ อ, อัลลอฮ อัลลอฮฺประทนาแบบนี้ดีกว่านี่อันนี้ยังวิสาบานวิสาบานได้แ้วมีคําสาบานที่ไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นคําสาบานไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นคําสาบานข้าตก อ, อนุ่นอับดับอับดับก็เหมือนเหมือนบ้านเรานี่คนในส่วนบางไม่รู้นะเฮ้ยแค่ไปนู่นจริงมัง้อัลลอฮฺไม่ได้ไปอัลลอฮฺเนี่ย เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยสาบานแต่เราตั้งใจสาบานไว้พอถามว่าแล้วทาไมอัลลอฮ์ล่ะแกไปแบบโลไม่ได้ไปอัลลอฮ์ทำไมอะคือมันมีที่ไปที่มาที่ที่ไปที่มาอารบตะกอนนู่นอะคือเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาพูดแต่ไม่ได้ตั้งใจไปแล้ววะลอฮฺ ไม่ไปแล้ววันลอยใช่วันลอยอะไรเงี้ยแล้ววันลอยอีวันลอยอะไรเงี้ยมันเป็นคำเนี่ยพอเราพอเราจะเรียนแบบคําพูดของเขาอ่ะนะยิ่งในวัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกับเขาอ่ะนะเราก็อยากจะมีคําคนละกันะคําคําของเราอ่ะอของเขาก็อาจจะมีปัทโธอะไรเงี้ยแล้ก็มีอ oh ัลลอฮฺ มีอะไรของเราบ้างเหมือนเขามีเวลาตกใจอะไรเนี่ยเขาจะว่าอุย๊ยอะไรนะมีอะไรตกอย่างเงี้ยอุย๊ยอะไรนะเอออุย๊ยพระตกเราก็เราจะก็อุย๊ยอัลลอ์ตกอามีมังกนนแลเราก็เราก็จะมีแต่ไอ้ไอคำต่างๆเนี่ย คำสาบานมันไม่ได้ตั้งใจที่สาบานอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้กว่าวละหุลย์มีละหุลีย์มีคือคือเออยเออยพระนามของเราสุภาณวัวดาร์ละเออยมาแบบไม่ได้ตั้งใจสาบานอัลลอฮ์บอกว่าเนกุณอัลเลาอยู่อาคิดุคุมุลลอฮฺบิลละหุฟิอัมานีอัลลอฮจะไม่เอาโทษกับพวกเจ้าไม่เอาโทษกับพวกเจ้า ในคําสาบานที่ไม่ได้ตั้งใจละอูละวูเนี่กยกระไรนึกว่าพวกคุณพู ด, พ, ดพูดธรรมดาพูดเฉยๆไม่ได้ตั้งใจละวูเลียมีนี่ก็เหมือนกันแต่จะรู้สึกจากคาว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแสดงว่ามันมีโทษแต่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ปะ่ะอ่ะใช่แสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เราจะเอะอะอะไรนี่ก็เอาพระนามาอัลลอฮ์นี่มาเอา้ยไม่ดี และที่ดีที่ดีที่สุดนี้ก็คืออะไรคือคำสาบานเนี่ยไว้ใช้ในความจำเป็นเท่านั้นในการยืนยันถ้ามีคนอื่นเนี่ยเรียกร้องอันนี้เนี่ยคือตามแบบฉบับองท่านอับดุ ล, ลลอฮฺคือเราต้องยกย่องพระนามอลคลท่านเนี่ยให้สูงส่งถือว่าเป็นเป็นคำที่หวงแหนที่สุดสำหรับเรา ไม่ใช่ว่าเออะไรเออาร์เลยก็สาบานในแสดงว่าพระนามอัลลอฮ์นี่ไม่มีค่าในลิ้นของเราเลยล่ะเออารเลยก็สาบานนี่อะไรก็สาบานอย่างนี้มันไม่มันมันไม่ควรสําหรับผู้ศรัทธาที่จะเป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์จึงประนามมุนาติกีนว่าเอาพระนามอัลลอฮ์นี่มาสาบานมายืนยันในความมดเท็สในความโกหกของเขาย่าลีกูณาบิลลาฮีเขาจะสาบานด้วยพระนาม วงเล็บกระดิบันโดยที่เขารู้ว่าเขาเนี่ยโกหกโดยที่เขารู้อันนี้เนี่ยคืออันเนี้ยที่ถือว่าเป็นเป็นพฤติกรรมเป็นมันมันก็กลับไปสู่พฤติกรรมเดิมของมุนาฟิกที่ท่านนบีพูดถึงอายะตุลมุนาฟิกที่แสัญญาณของมุนาฟิกในสามประการหนึ่งในนั้นน่นก็คือถ้าพัดจะกระดับถ้าพูดแล้วเนี่ยก็จะโกหกก็พูดจริงไม่เป็นพูดแล้วก็จะโกหกอันนี้ก็เหมือน แต่โกหกนี่มันจะสุดโตงที่สุดเนี่ยเวลาโกหกแล้วก็สาบานด้วยความโกหกหมดเท็ดด้วยนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกมุนาฟิกินสําหรับผู้ศรัทธาน่ะไม่ได้ผู้ศรัทธานี่จะกลัวมากในเรื่องสาบานเนี่ยจะกลัวมากว่าพระนามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่ใช้เล่นๆนะจะไม่เอามาพูดเล่นๆต้องให้เกียรติต้องให้ความเคารพในคําสาบานอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل า ทำไมคนเขาสาบานกันนะเพราสาบานเพะเขากลัวกลัวคน อ, อื่นไม่เชื่อไยวันแลกพูดเอ้ยจะไม่เชื่อเอ้วันลอให้เลยเขากลัลกวคน อ, อื่นไม่เชื่อมุนาฟิกินก็เหมือนกันวันแรกินนะหุมเขาโมนิเออร์ฟรคูนแต่ถ้าว่าพวกเขานั่นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหักกล้วอะไรอะกลัวว่าจะว่าผู้ศรัทธาจะไม่เชื่อว่าเขาเป็นผู้ศรัทธา กลัวและด้วยกติกาในสังคมเนี่ยเราจะมองถึงภายนอกอย่างเดียวผู้ศรัทธาอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปควักไส้เขาไปอ้างอะไรเกี่ยวกับหัวใจของผู้คนนี่ไม่สามารถผู้ศรัทธาไม่สามารถศา ส, สนาไม่อนุ ญ, ญาตให้เขาทำแบบนั้ น, นั้นมีวิธีเดียวที่จะยืนยันกับผู้อื่นนะว่าเขาเป็นผู้ศรัทธานี่ก็คือคําสาบานทาไมอย ก, กลัวเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าแลกินนหนุมเขาเมียฟรักูลุลเขากลัว ยิ่งมาถึงเรื่องที่ท่านนบีสุลต่าละวะอะลียห์วะสัลลัมเรียกร้องเชิญชวนให้เข้าไปทาสงครามไปสู้รบกับท่านนบีสุลต่านละวะสัลลัมกลัวมากเลยกลัวที่จะไปสู้รบกับท่านนบีสุลต่านละวะสัลลัมกลาวที่จะมีส่วนร่วมในการเสียสละทรัพย์และชีวิตของเขาเพื่อท่านนบีสุลต่าละวะอะลียห์วะสัลลัมความหวาดกลัวของเขาถึงขนาดที่ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو إليه وهم يجمعون قوت قناتي หาพวกเขาพบที่พักพิงมั่นที่พักพิงเช่นเมืองที่มีป้อมที่ไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยไปลี้ภัยจะได้จะได้พ้นจากพ้นจากมุสลิมเสิยทีถ้าเขามีนะซึ่งข้ะแรกเนี่ย อาอาใหี่สองทีสามในสุรอั ต, ตาบาดีที่บายที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ประวิงเวลาให้กับชาวอาหรับที่ข้ามสมุทรอาหรับสี่เดือนเขาจะได้พิจารณาตัวเองว่าจะเป็นพลเมืองในข้ามสมุทรอาหรับนี่ก็ต้องเป็นมุสลิมถ้าเป็นเชื้ออาหรับนี่ต้องเป็นมุสลิมเพราะกฏว่ามีคนที่เลือก เลือกก่จะไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่กับโรมันแล้วก็เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสตไปเลยแต่อารับที่เขาเลือกบางกลุ่มที่เลือกจะอยู่อยู่ในอาณาจักรอิอสลามในคาบสมุทรอารับเพราะมีผลประโยชน์และมีอะไรของเขา่นะแล้วเปลี่ยนศาสนาภายนอกให้ดูเหมือนว่าเป็นมุสลิมก็จะมีนี่กลุ่มนี้ทีเรียกว่ามุนาฟิกินเรียกว่ามุนาฟิกีน แต่ถ้าหากว่าพวกนี้เนี่ยเขาพบที่พักพิงมัจนจะอัลมอรอตินหรือบรรดารถ้งแม้ว่าจะเป็นถ้ามันนะหนีไปอยู่ในถ้าเลยนะอาลมุดดะคารันหรืออุโ ม, มงคือที่หนึ่งที่ใดที่จะให้เขาลี้ไปพ้นจากอานาจของของนบีและก็มุสลิมมันนะแน่นอนพวกเขาจะหันไปหามันสมัยนี้มันอาจะหนีไปเลย เนื่องจะความหวาดกลัวเขาจะหันไปหามันว่าุมยัจมาโหดโดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วนอย่างเร่งด่วนการที่มุนาฟิกีนเนี่ยไม่อยากร่วมอยู่กับสังคมของท่านนบีสุลตานะอัลลเพราะภารกิจของจิฮาดเนี่ยมันก็คือตัวอย่างหนึ่งของความไม่สนิทใจของมุนาฟิกีน ต่อคำสั่งสอนต่อคำบัญชาของลอสปาโตาฉะนั้นมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องตรวจสอบมันไม่ใช่เรื่องจิฮาดอย่างเดียวนะต้องตรวจสอบทุกเรื่องถ้าเรารังเกียจไม่สบายอกสบายใจไม่สนิทใจกับคำสั่งสอนอย่างหนึง่งอย่างใดและอยากจะหนีหนีปฏิบัติตามคาสั่งสอนนั้นนะ่ะ จะมีทางหนีที่ไหนนี่ก็จะหนีพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะเยี่ยงพฤติกรรมของมุนาฟิกินให้มาละมาลมาละม า, ะม า, ะมาโอ้ยหนีหนี้นีหนีนนเหมือนไหมก็เหมือนดิทาไมไม่อยากละมาคือไม่มีหรอกใคระบอกว่าละม า, ะมานี่ผมไม่ชอบไม่ชอบดิไม่ไม่ชอบไ ม, ไ, มไม่ชอบ ไอบาดาต่ออัลลอฮ์คือเขาไม่สามารถพูดพูดพูดแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมสิแต่เหมือนมุนาฟิกินไงนระวังในะเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรบางอย่างนี่ที่ที่บ่มันมันชัดไงคนก็ไม่กล้าพูดหรอกเฮ้ยทำไมอาจารย์ทำไมหนีเหมือนใช้ดอนเปลาเปลเไม่มีอะไรหรอกแต่ในใจเนี่ยไม่อยากละหมาดทำไมมันจะละหมาด ธรมรมะละหมาดละธระมรมะ ก, ก็เหมือนเชยตอนที่บอกว่าสัญญาณของคนที่มีโรคมืดนะนะคือไม่ชอบละหมาดทาไมเชยตอนอยู่ในตัวไงเชยตอนนี่มันละหมาดมันไม่ยอมสุญูดเชยตอนนี่เนี่ยที่สายที่มันมันเชยตอนนะ่ะนะเพราะมันไม่ยอมสุญูดแล้วพราะมันเข้าตัวใครนี่ที่เป็นมุสลิมแล้วมุสลิมจะไปสุญูดนี่นะมันจะห้ามไม่สุญูดถ้าเราจะถามแต่คนคนที่มีโรคมืดนะี่ละหมาดไหม เวลาละหมาดในรู้สึกยังไงละหมาดถ้ารู้สึกอยากจะละหมาดเรื่อยๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ใช่โรคมืดอยู่เว้นว่าถ้ายินถ้ายินที่เข้าตัวเนี่ยเป็นยินมุสลิมยินแขกอ่ะหมายถึงยินมันก็ละหมาดด้วยไงเออไปละหมาดก็ไปกูก็ละหมาดอยู่แล้วไงกูก็ละหมาดด้วยแต่ความบาปของยินนี่นะที่มันที่มันเข้าตัวนี่แหละบาปของมันอนั้นก็จะมีวิธีรักษาอีกอย่างหนึงนะ่ง วิธีตรวจสอบไอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องละหมาดเด็ดต้องดูเรื่องดูเรื่องอื่นแต่เรื่องเรื่องคนที่ไม่สนิทใจกับคำสั่งสอนอิสลามเนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีเยอะที่ต้องตรวจสอบและพวกเราเก็ต้องตรวจสอบเรื่องที่มันเด่นชัดนี่ก็คือเรื่องกฎหมายอิสลามในหลายประเด็นธรรมดานะในประเทศอารัมก็มีนะธรรมดานะสระว่ยน้ําห้าม ห้ามนุ่งบรุรกีนี่ห้ามสวมฮิญาบชุดยาวลงสระน้ำบางทีก็หาดด้วยนะหาดธรรมาชาติที่ Allah ให้มาเนี่ยก็ห้ามแต่งตัวไม่ชิดเมนรื่องธรรมดานะหลายที่ก็เป็นแบบนั้นประเทศอาหรับปรเทมุสลิมก็มีแต่ถ้ามีที่หนึ่งที่ได้นี่บอกว่าห้ามเขา้าคนที่ไม่คุมฮิญาบเลยโอ้คนเป็นเรื่องเลยระเบิดประมานูเลย ทำได้ไงริดนอนเสตียสตรีตุ้มๆแล้สตรีเกิดมาเนี่ยสตรีหมายถึงว่าที่มีอายุแล้วนี่เกิดมานี่ต้องแก้ผ้าเหรอไม่ถึงว่ามนุษย์เนี่ยเรารู้นี่ยคือมนุษย์มนุษย์ที่ไรอารยธรรมที่ไร้วัฒนธรรมเนี่ยก็คือมนุษย์มนุษย์ป่าเนี่ยก็คือมนุษย์ที่แก้ผ้าไม่สวมเสื้อผ้า แต่พอมนุษย์เนี่ยเริ่มมีอารยธรรมแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มสวมเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราไปพบเผ่าที่เขายังอยู่ในป่านี่แบบแก้ผ้านี่นะมนุษย์ที่มีอารยธรรมแล้ว ก, ก, ก, ก, ก, ก็ต้องชวนชว น, ชวนมาปรับอารยธรรมเขาเนี่ยให้สวมเสื้อผ้าแต่ตอนนี้มันมันสลับท่าละเขาเชิญชวนมนุษย์ที่มีอารยธรรมนี่แก้ผ้าซะจะได้มีอารยธรรมมึงต้องแก้ผ้าจะได้มีอารยธรรม ถ้าหากว่ามีกติกาอะไรแบบเนี้ละหมาดก็ต้องคุมหิาบาับมุสลิมไม่ละหมาดนะทไามาโอ้ต้องคุมนูก็ต้องตะระกุงตะระโกงกัโอ้มันเยอะแยะราคาญร้อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ละหมาดอย่างเดียวแล้วนะอันนี้คือไม่สนิทไม่สนิทใจกับกําหลักการ แล้วถ้าใครจะบอกว่าต้องต้องข่ยับต้องหนีเลยหนีเลยอย่ามาทำคันแบ่งมรดกกันมาแบ่งมรดกกันเอาแบบลักการศาสนาไม่เอาเอาแบบไทยกฎหมายไทยอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอไมไม่แบ่งแบบอิสลามล่ะโมไม่ยุติธรรมมีนะมุสลิมที่พูดถึงขนาดนี้เนะมีนะ ม่ยุติธรรมให้ผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนไม่ยุติธรรมอันนี้เกีอันนี้เ ก, ก, กีคยวกับคสั่งสอนนะการแบ่งมรดกนี่ผู้บัญชาให้แบ่งมรดกนี่ผู้ที่สั่งให้เราละหมาดเราก็เราไม่พอใจละหมาดนี่เป็นมุสลิมได้ไงอ่ะเช่นเดียวกันคนที่ไม่พอใจบัญชาของอรถในการแบ่งมรดกมันก็คือค่าเดียวกันค่าเดียวกันแต่ในสังคมนี่เขาจะ เลือกปฏิบัติไม่แบ่งมรุกตามหลักการศาสนาแต่ละมาดสะอาดละมาดเต็มที่ไปทำอุมรค์ไปทำฮัจเต็มที่อันนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะโรคจิตใจที่สองบุคลิกเนี่ยเขาได้กัน อ, กอะไรนะไบโพล่าไบโพละ สองจิตสองใจสองบุคลิกภาพก็คือในเรืรเ่องการเงินนะ่ะในเรื่องการเงินน่ะนะก็ต้องแบ่งมรดกตามกฎหมายไทยต้องกินดอกเบี้ยต้องอะไรเห ม, ม, ม, ม, ม, มือนหมดทุกอย่างในเรืร่องการเงินนะแล้วในเรื่องไอบาดาดิเออเรื่องสวดมนนี่ก็ต้องแบบแบบอิสลามเไยก็ต้องละหมาดแบบอิสลามทุกอย่างน่าจะมีที่เดียวน่าจะมีที่เดียวในโลกนะ บ้านเรามีสรุงสำรองมีหมวกสำรองตะระกงสำรองเนี่ยมันสื่อถึงใบโพลาความเป็นใบโพล่าของมุสลิมบางคนอาราบมานานาเนี่ยเขาเลยไอ้นี่เลยเขาชอบเลยทําไมอ่ะเขามาเที่ยวมาเที่ยวกูมาเที่ยวนุ่งกางเกงสั้นไง แล้วมาเที่วจะมานุ่งโต๊ะแบบว่ต้องเก่งเกงสั้นด้มันจะได้กลมกลืนหรืมันจะได้เข้าบาร์เข้าผับเข้าคาราโอเกะนี่มันจะได้ดูดูเออดูแต่กนะูก็ละหมาดนะพอเข้ามัสยิดอาจจะละหมาดยังไงยายนุ่งเก่งเกงสั้นอ๋อเขามีสรงให้ไปดูดิพอเข้าเนี่ยแล้วก็สรงเขาสรงนี่เขาพับสรงไม่เป็นนะ่ะเขาก็เลยทําสรงแบบมียางมียางเลยยาง หนังยางมันรัดลัดเอวเลยนุ่มสรงนี่โอ้โหเหมือนใครมาแสดงลิเกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไบโพลาชัดๆเราจะบอกว่าอาจจะมีส่วนดีนะว่าเออเขาก็ยังละหมาดอยู่แต่มันมันมันแสดงถึงความไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องหลักการศาสนาเราต้องเห็นใจนะถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จริงใจเขาก็อยากจะละหมาดจริงๆไม่ทิ้งละหมาดจริงๆ แต่ถ้าใส่ใจลมาจริงๆอะนะเออเองก็แต่งตัวให้ดีสิแต่งตัวเป็นมุสลิมสิแต่ปัญหาว่าแต่ฉันจะทำอะไรบางอย่างที่มันไม่สื่อความเป็นมุสลิมเนี่ยฉันอยากจะเข้าบาร์กินเหล้าถ้าฉันจะแต่งตัวเป็นมุสลิมมันก็จะดูนา่าเกลียดแล้วก็ฉันแต่งตัวแบบเขาแล้วกันแต่เวลาจะละหมาดเนี่ยมีแบบไม่คุมมียาแต่งตัวแบบอ้แบบดาราเลยนะ เร อ, อยู่ดีเข้ า, ม, ลลา ม, ลลมุสลิมนะทําอะไรวะเข้ามุสลลมเนี่ยมุสลิมไงทําไมอ่ะเขามีตลโกงและมุสลิม่าบางคนเนี่ยที่แต่งตัวแบบแบบโป๊เลยนะเขามีตลโกงนีนกระเป๋าของเขาเดี๋ยวให้ฟังผมอธิบายก่อนแล้วก็เดี๋ยวอธิบายค่อยอธิบายที่หลังก็ได้อทีนี้ค่อยคุยกันที่หลังนะอืมทีนี้ฟังก็ฟังอย่างเดียว อันนี้อันนี้ที่เล่าให้ผมใครพี่น้องฟังเนอันนี้อันนี้เห็นกับตาในะไม่มีใครเล่านะเห็นกับตาเลยและกำลังบอกว่าด้วยความเคารพในจิตนาของคนบางคนที่เขาอยากจะเออเขาก็อยากจะอยากจะละหมาดอยากจะอะไรเนี่ยแต่ต้องถูกทวนดูอนเองด้วยความเป็นมุนาฟิกเนี่ยก็คือการที่มีสองจิตสองใจการที่มีภายในอย่างหนึ่งและก็ภายนอกนี้ อีกอย่างหนึง่งภายนอกนี่ไปที่ทางหนึง่งแล้วก็ไปในนี้ก็ไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้เนี่ยผู้ศรัทธาที่จะต้องที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็ตรวจสอบและตรวจสอบให้ดีเรื่องนี้เราเราไม่ต้องไม่ต้องไปไปมองคนอื่นมากกว่าที่จะต้องมองตัวเรานะเพราะการที่เราได้อ่านสุราตอตบะเรียนรู้สุราตอตบะนี่ ผมบอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องต่อยอดบทเรียนของสุรตะวันนี้ที่อัลลอฮฺสุภาณะห์ดาเนี่ยปนามพฤติกรรมของมุนาฟิกีนั่นนะเราจะไม่ไม่มองว่าสุรตะวันนี่สําหรับมุนาฟิกีนและเรานี่ไม่ใช่มุนาฟิกีนแสดงว่าเราจะอ่านสุรตาวันนี่ทั้งสองออาย่านี่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอัลลอฮฺบูถึงมุนาฟิกินออไม่เกี่ยวอ๋อพกเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เราไม่ต <SCP> ้องอ่านแสดงว่าไม่ต้องอ่านกูอ่านทั้งบทได้เป็นแบบนี้นะเผือไปไม่เป็นไปไม่ได้นะที่กูอ่านอัลลอฮฺประทานลงมานี่ยหกพันอาย่านี่อัลลอฮฺพูดถึงฟาโร่อย่างเงี้ยพิราอุนพูดถึงกลุ่มชนนบีฮุดอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอัลลอฮฺพูดพูดฮุดฮูดปฏิเสธทายุกอาดสมุนนู่นนะเกี่ยวอะไรกับผมถ้าเป็นแบบนี้อัลลอฮฺจะประทานลงมาทําไมอ่ะอัลลอฮฺจะมาเล่านิทานอย่างเดียว กูอานนี่เป็นนิทานน่ะหรือกูอานนี่เหมือนพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เราให้เราเข้าไปดูโอ้ยสวยโอ้ยเท่โอ้ยเจ้าเจางอันนี้พิพิธภัณฑ์นะกูอานพิพิธภัณฑ์น่ะไม่นะกูอานนี่เป็นวาจาเป็นวาชนะที่อัลลอฮฺสุลฮานะวะตาเาต้องการพูดกับมุสลิมผู้ทุกคนกูอ่านนี่เราพูดทุกคนนีว่าเราจะได้ประโยชน์จากกูอ่านนี่นะทุกอายันยรไได้ประโยชน์อะไรจากอายนนี้ อัลละ์บอกก็พวกมุนาฟิกินเนี่ยเขากลัวมากถ้าเขามีทางหนีจากบัญชาของเราสุภาโนดาล่ะมีไปไหนอะที่หนีไปที่ไหนไปรีพภัยที่ไหนไปถ้าไปที่ไหนเขาจะหนีเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีเราเคยไหมมีคาสั่งสอนอะไรสักอย่างที่ i s l a สอนแล้วเราไม่อยากทำไม่อยากทำอะทำยังไงถ้ามีทางหนีเนี่ยกูจะหนีแล้วเนี่ย เราเคยมีแบบนี้นะเธอเคยมีแบบนี้เนี่ย<ส>เกรงว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมุนาเป็กินที่เราเคยทำ ม, มันก็เสี่ยงต่อความศรัทธาของเราโอลมาได้บอกว่าเ<ส>งื่อนไขของแอลอีแอลไฮนอละเนี่ยคือยอมจำนุนไม่ใช่อยอมจำนุนในเรื่องเดียวของศาสนายอมจำนนในทุกเรื่องของศาสนา เริ่มต้นและอิลลัยอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าเรายึดพระเจ้าเดียวซึ่งคําว่าพระเจ้าในเนียของอิสลามนี่คือพระผู้ทรงกําหนดบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผู้ศรัทธาเราจะดูอัลลอฮ์บัญชาอะไรอัลลอฮ์สั่งอะไรไว้แม้กระทั่งเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอะไรไว้เนี่ย เราจะสามารถทําได้ด้วยเหตุผลว่าอัลลอฮ์ไม่สั่งสแสดงว่าเท่ากับ Allah อัลลอฮ์อัลญาตสแสดงว่าไอสิ่งที่เราทําเพราะมันไม่มีตัวบทตรงนี้นี่นะเนื่องจากว่าเรายึดยึดในในพระอํานาจของอัลลอฮ์สุฮานอตาในชีวิตของเราเนาะนี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่สแสดงว่าทำได้ไม่ใช่ว่าเราจะทํานี่ตามอําเภอใจทําที่เราต้องการนะไม่เราจะทำเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ห้ามไม่เอาถ้าไม่ ม, ถ ม, มีถ้าไม่มีตัวบทอนะันนันแสดงว่าอันนี้เป็นที่อนุญาตแม้กระทั่งตรงนี้เราก็ต้องดูก่อนว่ามีหรือไม่มีนี่คือความหมายของคําว่าํานุนที่จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างผคุสธากับมุนาฟิกินมุนาฟิกินไม่ได้มีเพียงพฤติกรรมที่ว่าตัวเอง ไม่สนิทใจหรือไม่พอใจในคำสั่งสอนอย่างเดียวนะ่ะไม่ยังจะแสดงอารมณ์ไม่พอใจต่อการจำนวนของคนอื่นด้วยและนี่คือสันดานสันดานอิชาริสยาอิชาริสยาของมูนาฟิกินตัวเองไม่ทำความดีนะและไม่อยากให้คนอื่นทำความดีด้วย ผู้ทธานี่บางทีก็ไม่ทำความดีนะไม่ทำความดีแต่อยากให้คนอื่นทำความดีผู้ทธาบางทีเนี่ยก็ทำความชั่วแต่ไม่ชอบให้คนอื่นทำความชั่วเหมือนเขาอันนี้สัญญาณดีเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณดีว่าเขาทำความชั่วแล้วไม่ใช่ทำความชั่วนี่มันไม่ดีอยู่แล้ว แต่ที่เขาไม่อยากให้คนอื่นทําความช่วนี่แสดงว่าตัวเองนี่ลึกๆนะรู้ว่ามันเป็นความชั่วพ่อเนี่สูบบุหรี่ลูกบกวสูบบุหรี่บ้างไหมไม่ให้สูบอทําไมคือพ่อนี่รู้รู้ว่าบุหรี่นี่มันเลวขนาดไหนไม่ยอมให้ลูกสูบบุหรี่หลายเรื่องอะ น, นะทำทำเองทำความช่วยแล้วก็เตือนคนอื่นอย่าทำเลยมันไม่ดี หรือว่าตัวเองไม่ละหมาดแต่ส่งเสริมให้คนอื่นละหมาดตัวเองไม่อ่านกุศอ่านแต่สนับสนุนให้คนอื่นอ่านกุศอ่านอันดี้ก็มีมันเป็นสัญญาณดีสัญญาณในบ้านปลายว่าคนนี้เนี่ยจะปรับปรุงตัวเองเน่นอแต่อดยทีเลวซ้ำเนี่ ย, ไ ม, ยไม่ทำความดีและคนอื่นจะทำไม่ให้ทำหรือว่าจะาเขาทำนี่กแนกแนเขาตัวเองทาความชั่ว อย่าไปเชิญชวนคนอื่นทําความช่วยดิยตัวเองเอทำความช่วยดิมันก็พอแล้วไม่ทําความชั่วแล้วอยากให้ทุกคนมีทําความชั่วเหมือนฉันอันนี้สัญญาณที่น่ากลัวมากสัญญาณว่าเขาไม่น่าจะมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวเพราะอะไรสัญิตใจมากเลยเพอมันไม่ไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวนะเขาอยากได้คนอื่นเนี่ยเลวเหมือนเขาอันนี้เนี่ย و َ م ن ِ ن ْ ه ُ م َّ ي َ ل ْ م ِ ز ُ ك َ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أ ُ ع ْ ط َ و ا مِنْهَا ر َ ض ُ و ْ وَإِلَّا م ُ ع ْ ط َ و ْ مِنْهَا إِذَا هُمْ ي َ س ْ خ َ ط ُ و ن لَنَيْمُ بُوَكْهَوْنًا مِّبُوَتِ ا ل ت َ م ْ ن ِ إِذَاوَ نَيْرِيَعْ سِنْ بُرِجَكَ ن َ ر ِ ي َ ع ْ صَدَقَةً تَنْقَطَعَ دَعْوَةً ن ก a มี kami พวกกุ ม, มนาฟิกินีที่อยู่ที่มั ด, ดีนั้นนี่มาบอกกับท่านนาบีอัลลอฮ์ AH สั่งท่านอัลลอฮ์ AH สั่งนบีเนี่ยให้ยุติธรรมในการแจกสารค้านี่ข้าพเจ้ามองว่าท่านนาบีไม่ได้ยุติธรรมเลยท่านนาบีไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนบีก็บอกว่าให้อนะปศะบเดาท่านถ้าฉันไม่ยุติธรรมแ ล, ล้วใครล่ะ จะยุติธรรเรื่องนี้ที่ที่มัมมี่ก็เรื่องงานจากกตาด้านนี่บอกว่าคล้ายๆกับเรื่องที่บันทึกโดยมุคอริและมุสลิมแต่เป็นเรื่องซับเฉลยซับเฉลยนนบีก็มาแบ่ก็มีคนหนึ่งชื่อฮารกุสเป็นชาวชนบทไม่ใช่คนมาดีนะเป็นชาวชนบทเพิ่งรับอิสลามใหม่แล้วก็ไม่รู้กาลเทศะ แต่ไม่รู้กันละที่ศาสตร์ถางขนาะที่ล่วงเกินท่านนาบีโซลโซลัมแบบนี้ก็บอกกับท่านนาบีการแบ่งแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนบีก็พูดเหมือนเหมือนหาดิสบุตรนั่นถ้าข้าพเจ้ามายุติธรรมแล้วใครเล่าที่จะยุติธรรมแล้วพอเขาออกจากวงของท่านนาบีนบีก็เตือนมันก็ระวังนะจะเชื่อของคนคนนี้จะมีกลุ่มชน กลุ่มชนภายนอกของเขานี่ดูเคร่งครัดเคร่งครัดแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยสวนทางกับอัลกุรอานแต่พวกเจ้าพบพวกนี้จงประหัดประหารมันท่านนบีหมายถึงว่าพวกกลุ่มคาวาริจที่เขาออกกระบฏ ท, ท่านมูอาวิยะท่านอาลีแล้วก็บรรดาคาลิฟาทั้งหลายโดยไม่พอใจการปกครองของเขา แน่นอนระดับ阿ลีก็ไม่พอใจการปกข้งของของอลีเนี่ยหลังจากนั้นนะพวกเขาจะเป็นพวกข้องเลยเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยเนี่ย <c oughs> พวกเขาาลิสติก็คือจะต้องเป็นผู้นำ ท, ที่ที่ตามเขาอย่างเดียวถ้าผู้นําไม่ทําตามเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่อยู่ดรรมไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานและฮะดีสแล้วเขาแล้วเขาจะกระบฏหมายถึงว่าก็จะจะก็จะฝา่าฝืนแล้วก็ขัดขืน ไม่ยอมเชื่อฟังผู้นําซึ่งพฤติกรรมของคาวานิชเนี่ยในเรื่องไม่เชื่อฟังผู้นํานี่ก็หมายถึงว่าแยกกลุ่มแยกกลุ่มมองหัวตัวเองเนี่ยถูกต้องคนเดียวที่หลังเนี่ยเขามาสุดต่งถึงขั้นหนที่มองหัวตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเนี่ยตกศาสนาหมดซึ่งคาวานิส่วนมากแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ตามที่ท่านดามีพูดเลยภายนอกเนี่เคร่งครัดมาก แต่ความเชื่อของเขานี่คือแยกกลุ่มจากประชาชาติอิสลามและอีกสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่มันบ่งถึงความไม่เที่ยงธรรมของของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือความแตกแยกกลุ่มเขาอาหริชนิตแตกกันเป็นร้อยๆกลุ่มเป็นร้อยๆกลุ่มแยกกับ ก, กลุ่มุสลิมอามา ก, กลุ่มหนึ่งและในกลุ่มที่นั่นก็แยกกันอีกกลุม่มหนึ่งแยกกันอีกกลุ่มแยกกันไปเรื่อยแล้วแต่ละกลุ่มเนี้ก็จะกล่าวกลุ่มที่เขาแยกออกไปนี่ว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่มุสลิม อการกล่าวหาผู้อื่นว่าชป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเรื่องว่าเล่นของขวาริชแต่สําหรับอัลลุซุนนาวิจมาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดที่จะว่าคนอื่นว่าไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากเขาจะเขาจะระมัดถึงจะบางทีเนี่กเรื่องที่ร้ายแรงเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากนี่คือพฤติกรรมอัลลุซุนนาวิจมาแต่พฤติกรรมของขวาริชเนี่ง่ายเหลือเกินทกศาสนาทกมุสลิมทก นรกชาวนรกจึงต้องระวังเชกเช่นที่มุนาฟิกีนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราต้องระวังเรียนแบบถึงแม้ว่าจะน้อยนิดกระดามนะเช่นเดียวกันพวกคาวารีนี่ซึ่งเป็นกลุ่มตรงข้ามกับพวกมุนาฟิกีนนะคือกลุ่มคาวารีนี่หัวใจของเขานี่เขาจะอ้างความสัจจริงกับอิสลามจริงๆกับหลักการศา ส, สนาจริงๆแต่ปฏิบัตสิสวนทางเขาจะเข่งคัด แต่ความเข่งคัดของเขาเนี่ยมันจะสวนทางกับเป้าหมายของอิสลามทั้งนี้พฤติกรรมขวาวด้เนี่ยมันก็จะมีบางอย่างพฤติกรรมที่มันมีในสังคมของเราพฤติกรรมของวาวด้ชนะอันหลักๆของเขานะ่ะก็คือไม่เอาด้วยกับใครเลยไม่คนอื่นเนี่ยคนอื่นนี่ใช้ไม่ได้เลยคนอื่นเนี่อากิได้ใช้ไม่ได้เลยเขาอยากกินได้ถูกต้องอันนี้จะมี พฤติกรรมของเขาอะที่ในสังคมวุฒิมนี่อันนี้ก็มีแต่พวกเราต้องระวังในเรื่องนี้ระวังในการเอาดีเอาดีใส่ตัวแล้วก็แล้วก็เอาถุงน้ําดีใส่คนเอาดีใส่ตัวแล้วก็เอาชั่วโยนคนคือเรานี่มีแต่ดีคนโน้นเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วคนโน้นเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยย า, ากิดาใช่ไหมนะ และอะไรที่อะไรที่ใช้ได้อะตาบอดนึกไงมองไม่เห็นนึกไงเขาไม่ต้องพูดไงคือคนนู้นคนนู้นใช้ไม่ได้คนนู้นใช้ไม่ได้และใครอะที่ใช้ได้ใครอะแล้วเขาบอกว่าอุลามาคนนู้นก็ใช้ไม่ได้อุลามะคนนี้ก็แล้วก็อุลามาเนี่ยก็ใช้ได้หนึ่งสองสสี่หอ๋อนี่ก็อุลามาของคุณทั้งนั้นน่ะนะกระม่แล้วก็อุลามาคน อุลามะของที่อื่นนี่เขาใช้ไม่ได้โอ้ใช้ไม่ได้ผมเคยขุดบ้าที่นานาน่ะเรื่องนี้ผมเล่าบ่อยนี่เพราะผมก็ไปเร่งเจอจริงแล้วก็ตะกอนไม่เชื่อน่ะตะกอนได้ยินว่าเอ๊ะกลุ่มกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเขาเขาาเอาแต่อุลามะของเขาอย่างเดียวอุลามะที่อื่นเขาไม่เอาเลยเว่อร์ไปเป่าเจอเจออารับที่มัสยิดที่นานาผมไปคุดบ้านรู้เขาไม่เหนหน้าผมนี่เหมือน คนนี้น่าจะเป็นคนที่ขึ้นขุตบา้า น, น่าจะใช่เขาก็มาทักมาซาลามโอ้ ค, คนที่จะขึ้นขุตบา้าใช่ไหมเขาใช่แล้วก็มีเรื่องที่จะฝากแนะนำพี่น้องคนที่มาละหมาดนี่ทั้งอาหรับทั้งคนไทยคนแอฟริกาอูสระบทสหประชาชาติเยอะมากเลยแนะนําพี่น้องที่มาละหมาดอะไรเขาบอกว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ย ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยให้โทรไปถามอุลามาที่น่าเชื่อถือผมก็บอกว่าโทรไปหาใครก็เชครเบียอัลมัดลีไงว่าจะให้คนไทยเนี่ยนะเจอปัญหาเนี่ยนะโทรไปหาเชครเบียเนี่ยนะแล้วเขาจะโทรยังไงอ่ะแล้วก็แล้วก็คไ คุณทราจะไหวที่ไหนเนี่ยจะเรื่องนี้ประมาณประมาณสิบกว่าปีแล้วว่ะตอนนั้นนะ่ยยังไม่มีนาะยโทรทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแต่หาเดี๋ยวนี้เอ้ยโทรฟรีแต่โทรยังไงอย่างแล้วสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขามีปัญหากับเมียจะยาหรือไม่หย่านี่จะโทรแล้วก็ชุครบียจะเข้าใจภาษาไทยยังไงก็ต้องมีล่ามอีกใช่ไหมแล้วใครจะรับผชอบเรื่องล่ามล่ะคุณกําลัง เรียกร้องอะไรที่มันมันเป็นไปไม่โอ้โหก่อนที่จะขึ้นกุณบา้านบความดันขึ้นอะไรขึ้นหมดเลยเขาก็แล้วก็อุลามาที่นี่แหละอุลามาในประเทศนี้เนี่ยใช้ไม่ได้อ่ะเขาบอกเขาไม่น่าเชื่อถือได้ไงอนุ่นต้องอุลามาที่ถูกยอมรับที่อุลามาเขารับรองที่ว่าอะไรเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ใช่ข่าวดีนะแต่พฤติกรรมของเข่าวดีคนอื่นไม่ใช้ไม่ได้เลย ผมูดอยู่เสมอนะเรื่องของนี่ในประเทศไทยอะนะถามอุลามาในไทยอุลามาที่อื่นไม่เกี่ยวทําไมรู้มเพอผมเนี่ยเคยนะมีคนซาอุดีนี่มาถามผมมาถามผมมาถามถามคนไทยเนี่เรื่องมันเกิดอย่างนี้แนะนําแนะนําตอนนั้นเป็นกระทู้แล้วตอนนั้นเป็นเรื่องเรื่องสาธารณะเนีผมก็แนะนําเรื่องนี้หนึ่งสองสามเือนี้น่ยก็มีคนซาอุดีบอกว่าคุณเป็นคนไทยคุณไม่ต้องยุ่งให้อุลามาที่ซาอุดีเนี่ยเขาตอบ เออจําไว้ดีนะจําไว้ให้ดีนะถ้ามีเรื่องของมึงไทยเนี่ยพวกมึงเนี่ยมาอุลามาซาอุดีเนี่ใครไปเถามเยอะแยะเดี๋ยวนี้ต้องไปดูเดี๋ยวนี้เนี่ยอุลามาอุลามาซาอุดีที่แปลเป็นไทยเนี่ยเป็นฟอนเป็นเป็นคลิปกระแปลเป็นไทยหมดแล้วเรื่องบางเรื่องนี้นะเรื่องบางเรื่องนี้มันไม่รู้เขาจะเขาจะเอามาปฏิบัติกันยังไงล่าสุดนี้ อันนี้เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อนี่เพราะเพราะพอเป็นเป็นเป็นชื่อที่เขาเขาเหมือนเหมือนเขายัดเยียดอ่ะชกซ้ายละฟาอซานก็เป็นอุลมามะติสาตว์ที่เขาอุลามะจริงลุกซิเจบเบมบาซึ่งเขอุลามะมีชื่อเสียงแต่เรื่องของเขานี่บางทีเี่เอาเอามาใช้ในรีรยบัตอื่นแล้วก็ชกซานเนคนอายุมากแล้วเขาเขาอาจจะไม่รู้สถานการณ์หลายอย่างเขาถูกถามว่าการที่ได้สัญชาติประเทศติมอรชิมุสลิมได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ การถือสัญชาติประเทศทีมัจิมมุสลิมเนี่ยเกรงว่าอาจจะตกศาสนานะไม่เกี่ยวเขาอาจจะตอบคนซาอุดีที่เขาอยู่ประเทศซาอุดีถือสัญชาติซาอุดีคุณก็มีประเทศมุสลิมถือสัญชาติของมุสลิมเรื่องอะไรคุณจะแบล็กสัญชาติที่อื่นไม่มีเหตุจําเป็นนึองอากระชัยแต่มุสลิมมุสลิมทั่วโลกเชควาสมีนี่เป็นเป็นนักเ่อนไหที่มาเล แ <c oughs> ต่ก่อนโนนเราทํางานเรื่องโรูฮียาเขาบอกว่าชิดิดอรู้ไหมประชาชาติอิสลามเนี่ยส่วนมากนะไม่ได้อยู่ในโลกมุสลิมไอองค์กรอะไรนะไอซีเนี่ยองค์กรไอซีเนี่ยคือส่วนน้อยของประชาชาติอิสลามและส่วนมากอ่ะส่วนมากในอยู่ใ น, น, นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอินเดียประเทศไม่ใช่มุสลิมมีมุสลิมกีค่คน200ร้อกว่าส อ, อล้านกวน่าคน จีนเป็นส0บสล้านรัสเซียเป็น1 0บสบล้านฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่สล้านนะแล้วก็แล้วก็ประเทศมุสลิมหลักๆซาอุดิอาระเบีย20ล้านอียิปต์นี่ร้0ล้านตุรกีนี่เ0็ล้านนิดเียประชาชิอิสลามนี่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณพันกว่าล้านใช่ส่วนมากเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกมุสลิมอยากจะรู้ไหมไปดูดิตอนเขาทำฮัตกัน ตอนนําหังเนมาจากไหนอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ประเทศมุสลิมเลยถือสัญชาติประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมคุณไม่รู้เหรอว่าพี่น้องมุสลิมของท่านเนี่ยนับเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยเขาถือสัญชาติประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมคุณไม่รู้เหรอและใช้เขาทำอะไรประเทศซาอุดีนี่เปิดประตูนี่ ให้มุสลิมทั่วโลกนี่มาถือสัญชาติซาอุดีไหมปรากฏว่าอย่าว่าสัญชาตินะไปอมุมรอสิบห้วันเนี่ยถ้าเกินนะ่ะนะคุณนะบาบนี้อุลามาคนนี้อุลามาคนนี้คุณไปอมุมรอสิบห้วันเนี่เกินวันหนึ่งอ่ะนะคุณนะบาปทําไมอ่ะไม่เชื่อฟังผูน้นําไม่เชื่อฟังทาองเขาอนะ่ะไปทําหาดีวีซ่าของฮันี่30สวันถ้าคุณหนีไปอยู่เนี่ยจะได้ตวัวอาบจะได้ทำํำไอบาด้เนี่ยบาบนะ คุณบาปนะต้องเชื่อฟังผู้นำเี๋ยวว่าวอียวว่าวสัญชาตินะแค่วีซ่าเนี่ยเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเกินเวลาวีซ่าเนี่ยเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วแล้วจะไปว่าชาวบ้านนะว่าสัญชาติอันนี้เล่าสูให้ให้รู้ว่าเออการที่เราได้เป็นห่วงประชาชาิอิสลามทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ อัลลุุนเาะอัลจามะเนี่ถือว่าเป็นหลักหลักการของอลุุนเาะอัลจามะในหนังสืออัลอาคดะอัตะฮาวียะที่ขาจะระบุระบุประเด็นของอลุุนเาะอัลจามะเนี่ยว حبون الاستماع و, و. و ا ل ي. و ي ت ا ت ل ا ف و ي ب غ ض و ن الخلاف و ا ل ف ر ق ة أ َ ل ْ و ُ س ُ ن و ا ل ْ ج م ع ا ن ِ خ ُ ج َ ر َ ك َ ع ِ ي س ن ْ ع ل, ل ك َ ن ل ج َ س م ك س م ك ي ك َ ن แล้วเขาจะรังเกียจความแตกแยกหรือความขัดแยง้งคือไม่ชอบความขัดแยง้งไม่ชอบความแตกแยกเขาชอบเขาจะชอบที่จะเ อ, อ่อรวมตัวกันแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มที่เขามีมีคำคิดคล้ายๆของคาราวได้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่ชอบรวมออสงมวนจุดอะไรนะสงวนจุดร่วมซะ สวงจุดร่วมสังหรจุดต่างพวกไอ้ควานพวกพวกพวกที่มันไม่ชัดเจนมันไม่มีขอบเขตชัดเจนของอเลสซุโนจะมานี่จะเอาแพะชนแกะจะเอาชีอา์จะเอาก็เดียนีจะเอานนมรุกูแล้วก็ปบปบใส่รที่จริงเนี่ยเราเราก็พูดนะว่า การที่เราเป็นห่วงประชาชาิอิสลามทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายร่วมว่าผิดนี่เราจะพูดอะพูดผิดแต่ไม่จําเป็นว่าตรงพูดผิดนี่นะคนที่ทําบิดเนี่ยเขาจะไม่เป็นมุสลิมเลยแม้กระทั่งที่เราบอกว่าเนี่ยใครที่มีพฤติกรรมของมุนาฟิกเนี่ยไม่ไดีหมายร่วมเขาจะไม่เป็นมุสลิมโดยสิ้นเชิงนะไม่ใช่แต่เราเตือนโดยเฉพาะเตือนตัวเรานะว่าเราระวังพฤติกรรมของมุนาฟิกนทําเหมือนที่ท่าน ด, ดบบิสอลนอออะไรสักเล่มได้เตือน ระวังหนะ้าพติก ร, รมของมุนาวิกินบีไม่ได้บอกว่าเอาพฤติกรรมนี้เนี่ยไปใส่ร้า ย, ายไปปักปําไปตัดสินไปผีพากษาคนอื่นคนนู่นไม่ใช่มุสลิมคนนั้นเป็นมุนาวิคนนั้นชาวนรกคนนั้นไม่เข้าวสวรรค์คนนั้นนี่ยนบีไม่เคยไม่เคยสอนให้เราทําแบบนี้และนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่ภารากิจของของมุสลิมที่ที่จะต้องแบกแบกภาระแบบนี้ตลอดชีวิตคนนั้นใช่หรือไม่ใช่ให้คนนั่นแล้วก็คำถามที่แม้ว่าอะไรคนที่พูดแบบนี้เนี่ยใช่อาลุซู่ง คนที่ทําแบบนี้เนี่ยใช้อลรุซุนนาวิจาม ah ันี่ยคำพูดแบบเนี้กับพวกพวกอุลามาที่ชอบชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยแล้วก็อุลามาก็แล้วก็ตอบคําถามโดยที่ไม่รู้ว่าคําถามนี่มันจะไปถึงไหนอะนะคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเพราะคนที่ถามเนี่ยเข้าใจถามนะคําพูดเนี่ยที่เขาไปถามเนี่เป็นคำพูดของอุลามาคนหนึ่งคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเป็ น, น, นอลรุซุนนัวิจามาหรือเปล่า อ่าแต่น้องก็ตอบบอกคนที่พูดแบบนี้นี่ยมัใช่อลุศุนนวลจามาเนะี่มาแล้วกับพิพากษาคนนี้ระวงนะังหน้ามัใช้อลุศุนวลจะมานูนา่นนะอุลามาที่หนุนในซาอุดีเขาบอกใครอะไม่มีไม่มีใครมีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ ท, ธที่จะพิพากษาพิพากษาให้คนหนึ่งคนได้ออกจากศาสนาออกจากอลุศุนวลจามาอย่างสิน้นเชิงแบบ น, นี้แล้วเราไม่มีเสียเราจะถือว่างูเข่ามากถ้าเราเอาฟัตัวของอุลามาคนเดียวนะ แล้วก็ไปไปสวมคนอื่นคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่นนใชเราต้องมีวิจารณญาณต้องมีสมองคิดว่าเออคาพูดนี้เนี่ยมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยคนที่ถูกกล่าวหานั้นน่ะเขาใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคำพูดของเขาพูดจริงหรือเปล่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าไม่เช่นั้นเนี่ย งพฤติกรรมพฤติกรรมของมุนาแิกินและขวาริชเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มันจะทำให้ประชาชาิอิสลามมีอ่อนแอความขัดแย้งความแตกแยกนี่มันก็เกิดขึ้นในสังคมเสมอเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากสำหรับอัลสุนน์วัลจามะมีความเชื่อของอัลสุนน์วัลจามะแต่มีพฤติกรรมของขวาริชเป็นเรื่องที่น่า ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยอ้ลูกสุนัขจะมาต้องเป็นปึกแผ่นเดียวเอาแล้วทำยังไงเขาขัดแย้งเขาขัดแย้งกันจะเห็นใจกันขัดแย้งกันแลก็เห็นใจกันเขาจะเขาจะไม่ปรักปรำไม่ไม่กล่าวร้ายไม่ใส่ร้ายไม่ต่อว่าคนอื่นโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีเหตุผลโอ้ไม่หนูไม่ยอมวิจุรณ์ศีลสัตย์ก็และในหมู่พวกเขานั้น จะมีผู้ที่ตำหนิเจ้าในเรื่องสิ่งบริจาคสิ่งที่ท่านนบีได้บริจาคสิ่งท่านนบีนี้มามาแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยเขาก็จะต่อว่าท่านนบีเริ่มต้นเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกีนและที Clement, ่หลังก็กลายเป็นพฤติกรรมของพวกคาวาไรชนะว่าเป็นเป็นเป็นทำนองเดียวกันเฟ้อุตัวมินฮาระดูแต่ท่านหาว่พวกเขาได้รับจากสิ่งบริจาคนั้นหมายถึงว่าท่านนบี จากสนองก้อนี้ให้เขานะพวกเขาก็ยินดีก็คือไม่ตำหนิอืมถ้าได้นะไม่ว่าวอิลลัมยูกตัวมินะอิ ذا ฮุมยัสขดูแล้วหากพวกเขามิได้รับจากสิ่งบริจาคนั้นทันใดพวกเขาก็โกรธโกรธที่พระนิพพวีไม่ให้ไง น, น, นี่ก็เป็ติกรรมของมนาเบกีซิงที่ เขาพอใจเขาจะไม่ตําหนิสิ่งที่เขาไม่พอใจเขาจะตําหนิเราอย่าทําแบบนั้นอะไรที่เราพอใจนีโอ้ยดีไอ้คนนั้นน่ะดีคนนั้นน่ะใช้ได้คนนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่พอใจเขาไม่พอใจเอ้เอใช้ไม่ได้คนนั้นใชไ้ได้ที่ตั้ง มาตรฐานของเราในการตําหนิเนี่ยไม่ใช่ความสจริงไม่ใช่ความถูกต้องเป็นหูศรัทธานี่ความถูกต้องนี่เป็นมาตรฐานถึงแม้ว่าคนที่เรากําลังวิจารณาเข้าเนี่เป็นศัตรูนะแต่ศัตรูเนี่ยทำดีทําถูกเนี่ยเราต้องพูดว่าทําถูกทําดีและอัจริมันณกุมชะนานุโควมีนลาอัลลาตัดิลูสุรุตอัลมาิดาน ผู้ปรทานลงมาในเมืองมาดีนะเหมือนกันความชังความเกลียดชังกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่าทำให้พวกเจาก้าไม่ยุติธรรมอย่าดิลุหัวกระโบลิตร์จงยุติธรรมไม่ใช่ว่ากูดใครหรือชังใครเนี่ยก็จะไม่ยุติธรรมในการวิจารณ์เขาความถูกต้องก็คือความถูกต้องแม้ว่าความถูกต้องจะปรากฏกับคนที่เราไม่ชอบก็ตาม คนที่เราไม่ชอบถ้าเขาทำถูกเราก็ต้องบอกว่าถูกต้องกำคาบเหมือนกันคนที่เราชอบถ้าทำผิดไอ้วะนนอานานสุวนรับผู้ศัทธาทั้งหลายจงเป็นพยานในความจริงเพื่อ Allah จงเป็นพยานในความจริงเพื่อ Allah ถึงแม้ว่าจะเป็นพยานกล่าวหาตัวเองว่าผิดฉันทำผิดเอาวิลวาลิเดนหรือคนที่ทำผิดนี่คือพ่อแม่ตัวเองเอาววลากระบินหรือคนใกล้ชิดนอนนาลี่อัลมดีนีเป็นนักเรียงานฮะดีสแล้วก็เป็นนักตรวจสอบนักเรียงานหะดีสหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้ศึกษาสายเรียงานต่างๆเนี่ยแลจะรู้ว่านักเรียงานะดีคนไหนเนี่ยที่ ที่เขาเรายงานแบบเลอะเทอะรายงานความจําไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยเขาจะรู้คุณพ่อของอาลีบินมาดีนีเป็นนักรงงานฮะดิษมีคนมาถามอาล里บินมาดีนี่บิดาของท่านเนี่ยสถานะของเขาในฐานะเป็นนักรงงานฮะดีษเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เลยก้มหน้าเขาบอกว่าอบับดุลราฟบิดาของฉันเนี่ยราะยฟ อ่อนแอในเรื่องแรงงานฮาดีสก็หมายถึงว่าใช้ไม่ได้เอาวิลวอลีได้นถึงแม้ว่าเราจะวิจารณ์ถ้าถึงถึงสถานะที่เราจะต้องตัดสินว่าใครติดใครถูกและคนที่ผิดนี่คือพ่อแม่ผู้สถานนี่ไม่มีทางเลือกยิมาเป็นคนก่ยิม เ, เป็นลูกศิษย์อิบลุไตเมียลูกศิษย์เอกเลยนะรักอิบลุไตเมียมากและหนังสือของเขาเนี่จะยกย่องนิมมบุไตเมียแต่มีบางเรื่อง ท่านไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ข้าก็จะบอกว่าอับนูเตมียาตบบุอลนะอบนเมยเนี่ยเป็นเป็นที่รักของเรายิ่งว่ากินนะะัอลนแต่ความจริงเนี่ยเป็นที่รักยิ่งกว่าัูเมยท่านไม่เห็นด้วยท่านมนก็เลยบอกมาชิวอาจารย์เนี่ยว่าเออเออมทุกอย่างกไม่ใช่และส่วนมากคนที่พูดจริงกันนะ คนอยู่ยากไอ้แปลกนะบ้านเราเนี่ยสำหรับคนที่พูดตามใจคนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่อยู่เป็น <c oughs> เออทำไม <c oughs> คนที่เอาใจคนอื่นเนี่ยเอาถูกกันพูดถูกอีกวันหนึ่งโอ้ยเขาพูดผิดนะ <c oughs> คือมันแล้วแต่สถานการณ์ไงอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นแล้วคนที่พูด พูดตามตรงตามความอยู่ยากเพื่อนก็ น, น้อยคนคบก็ น, น้อยคนเกลียดกันเยอะอย่าแคร์กันนะเราอย่านับจำนวนคนที่เกลียดเราเนี่เพราะความถูกต้องเนี่ยสำหรับคนสำหรับคนที่แบบว่าเขาแสดงความไม่พอใจเพราะในสังคมนี่ คนที่ไม่แสดงออกเนี่ยจะมากกว่าอันนี้เราปลอบใจตัวเรานะว่าถ้าประชาวิจารณ์ให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแบบอิสระนะคนที่สนับสนุนความถูกต้องเนี่ยจะเยอะกว่าคนที่สนับสนุนความผิดให้ทุกสังคมเนี่ยมีอิสระภาพเต็มที่ไม่มีอะไรกดดันไม่เกิด ความเมียเกรงว่าจะเสียหายอะไรสักอย่างหนึ่งอนะทุกคนเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะผมว่าคนส่วนมากเนี่ยจะสนับสนุนความถูกต้องแต่ทุกวันนี้เนะี่ยพี่น้องยังแกเห็นกันมันมีเรื่องความกดดันเรื่องคุมขูเรื่องผลประโยชน์เรื่องอยู่ไม่รอดเดยอยู่ไม่ได้ในที่ทํางานเนี่ยเราก็จะพบเรื่องนี้บ่อยที่ทํางาน ลูกน้องที่อยู่เป็นนี่ก็คือเข้าใจเจ้านายโอ้โหผมไม่เคยเห็นใครฉลาดเท่ากับท่านเนี่ยอันนี้เร็วอันนี้ขึ้นอันนี้ไปเร็วไปไปเร็วแล้วก็คนที่ชอบขัดขัดกับเจ้านายนี่นี่นอกจากว่าจะฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นคนที่สัจจริงแล้วก็ตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะวิจารณ์เขาจะชอบคนวิจารณ์แล้วส่วนมากคนที่ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จแล้วก็ก้าวหน้านี่คนที่คนที่ชอบวิจารณ์เขาจะรู้ว่าเขาพผุ้งตรงไหนแต่คนที่ไม่ชอบวิจญาณนี่ส่วนมากนี่ก็จะล้มเหลวเร็วล้มเหลวเร็วเวนี่ยมูนาฟิกีนะถ้าท่านนาบีให้เขาเขาก็จะโอเคถ้าท่านนาบีไม่ให้เขาก็จะนินทาจะว่าร้ายกล่าวหาท่านนาบีสุล ล, ล, ล, ล่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับครอบครัว พ่อแม่ให้น้องให้พี่น้องคนนู้นพี่คนนั่นน้องทำไมคนนู่นให้มากกว่าให้มากกว่าด้วยมารยาทแน่นอนบางทีนี่พ่อแม่นี่ก็อาจจะทําอะไรผิดที่มันมายุติธรรมระหว่างลูกๆอันนี้แน่นอนเป็นไปได้เป็นไปได้สูงยิ่งแต่พ่อแม่นี่ไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ไม่คยมีใครเตือนหรือคนเตือนแล้วก็เม่ไม่ค่อยฟังแน่นอนแต่ด้วยมารยาท ลูกที่กระตันญูไม่ควรที่จะพูดกับพ่อแม่ในเชิงตำหนิยิ่งถ้าพ่อแม่ทำทำบุญน่นะคือในในเรื่องการให้กับลูกเนี่ยเขาต้องยุติทรมแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ลูกก็ไปให้คนอื่นให้คนจนหรือไปช่วยคนโน้นช่วยคนนี้แล้วลูกก็วิจารณ์พ่อแม่โอ้ทำไมไม่ให้ให้ผมดีกว่าดิ ทำบุญกับผมที่กูาอาลิงเงี้ยมั น, นเสียมารายาทเสียมารายาทเรื่ อ, องคนบางคนน่ยก็วิจารณ์คนอื่นไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองไม่ใช่เงินของตัวเองเลยเนะ่ยเป็นเงินของเขาโอ้ยคนนู้นดูติดแจกนู้นนะนู้นโอ้ยไม่เข้าท่าเลยก็ไม่ควรเหมือนกันเงินของเขาเรื่องของเขาแต่ถ้าเราจะวิจารณ์จะอะไรเนี่ยไม่ควรวิจารณ์โดยเจาะจง เราจควรที่จะวิจารณ์แบบสร้างมาตรฐานพี่น้องเวลาจะซดกอเนี่ยก็ต้องซดกอให้มันถูกที่ถูกทางนะเราต้องตรวจสอบให้ดีนะเนี่ยอันนี้นะได้แต่คนเขากําลังทําบุญแต่เขาเข่าไปอะไรอย่างเงี้ยสมัยท่านดบี้โซโลล้อเรือเซรามท่านดับบี้เนีจะโต้เลยท่านนบีจะโต้เลยเคยมีเนี่ยคนที่ สดค้อนดค้อนไ้คนที่ทําจิน่าสดค้อนไ้คนขโมยเขามีมีคนมานั่งพูดเนี่วันนี้มีคนไปสอดค้อให้คนจิน่าแต่บีก็เลยบอกว่าอาจจะคนที่ทำจีน่าในที่รับสดค้อนี่เขาอาจจะเลิกจิน่าก็ได้แต่บีโต้เลยบอกว่าไม่ต้องวิจารณ์คือเขาทําความดีแล้วเนี่ยเขาจะได้ความความดีและความดีมันจะกว้างขวางด้วยนะความดีมันอาจจะไปถึงคนไม่ดีที่เขาไปให้สดค้อเนี er yes. ่ยเขาอาจจะกลับเป็นคนดีก็ได้ มีการโต้การวิพากษวิจารณ์บันทอนกาลังใจคนคนที่ทําตัวคือถ้าการวิจารณ์แบบนี้เนี่ยมันแพร่ไปในสังคมและสังคมสนับสนุนนะจะไม่มีใครอีกวันนึงนะคนก็จะกลัวไม่สนคอแล้วเฮ้ยสนคอดูมันอาจจะเป็นคนนึงจะมีอ้าไอ้คนนี้อ้าวไม่มีอาคนก็ไม่เลิกเลิกทาบุญกันเลยแต่เวลาคนทําสูดี๋ยวคนทําบุญแลก็ภาดไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเรา ข้าวหน้านี่ก็ให้ระวังนิดนึงอนอันนี้เนี่ยเป็นการให้กำลังใจคนก็จะได้ไม่ไม่กลัวในการทำบุญไงอันนี้มันก็มระมันทีเราได้ที่แบบเวลาเนี่ย ولوأنهمرضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا ح س ل ل ه سيأتين الله من فضله ورسوله ن إ الله راغبون มายดีวัดมายึงว่ามีมารยาทใช้มารยาทกับท่านนบีเวลานบีให้ใครไม่ให้ใครนี่นะ ใช่มารยาทน่อมน้อมถ่อมตนกับการกระทำของท่านนาบีและหากว่าพวกเขายินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ละอูสูลของพระองค์ได้ให้แก่พวกเขาระดูพอใจยินดีแหละมาอาแจ้งโมสิ่งที่อัลลอฮูสูลให้เข้าไปเป็นเรื่องส่วนเราก็เรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยนี่อเป็นอภิสิทธิ์ของท่านนาบีที่จะแบ่งยังไงนี่เป็นเรื่องท่านนาบีถ้าท่านาบีให้แล้วแล้วเขาพอใจยินดีแล้วนี่นะวะ่าก้ลูและกล่าวว่า ฮาบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงเพียงพอทรงเพียงพอแล้วพอเพียงแล้วแก่เราหมายถึงว่าให้อัลลอฮ์พอพระทัยกับเราก็พอแล้วจะให้เยอะให้น้อยนี่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นเราไม่สนใจนบีจะให้เยอะจะให้น้อยนี่ของเราขอให้อัลลอฮ์รัสูลเนี่ยพอพระทัยกับเราเนี่ยเราก็ถี่ว่าโอเคฮาบุนอัลลอฮ์เซยุตีนอัลลอฮุมิ่งฟ ض ลิฮฺวารสูลูโดยที่อัลลอฮ์ จะทรงประทานแก่เราจากความกรุณาของพระองค์และละซูลของพระองค์ก็จะให้ด้วยหมายถึงว่าหวังว่าสิ่งที่จะได้จากอัลลอฮฺละซูลเนี่ยมากกว่าทรัพย์สินที่จะได้จากท่านนายบิสซาลลอห์เลยวักหละเหมือนที่สงครามฮานายนี่นะที่ผมเล่าบ่อยให้พี่น้องฟังสงครามฮานายนี่มีคนที่รับอิสลามใหม่เยอะแล้วสงครามฮานายนี่ทรัพย์เฉลยยุะมาก ท่านนาบีก็เลยให้แบ่งทรัพย์เฉลยให้พวกหัวหน้าเผ่าเนี่ยให้เยอะคนนู่นอูดหนึ่งรอยตัวคนนั้นอุดหนึ่งรอยตัวตท่านนาบีหวังว่าถ้าหัวหน้ า, าเผ่านี่เขาเขาดีใจกับกับอิสลามเนี่ยเขาเขาจะาพาลุมชนของเขาทั้งหมดนี่มารับอิสลามไงทีนี้ชาวอันซอรเนี่ยก็นบีก็ไม่ได้แบ่งให้เขา ไม่ได้แบ่งทรัพย์เลยอะไรเด็กๆไม่มีไม่มีทรัพย์แบ่งให้เราก็เลยน้อยใจถ้ามีคนมาบอกแท่นนบีบอกว่าชาอนซอรนี่ขาน้อยใจนะนายบีนะมีขึ้นมิมบัติเลยโอ้ชาออนซอรก่อนที่พวกเจ้านี่จะเป็นมุสลิมก่อนที่จะมารับอิสลามเนี่ยพวกเจ้าเป็นยังไง เจ้อันซอนนี่ก็กลมแน่ว่าอัลลอฮฺว่ารษูลว่าแหละอัลลอฮฺรษูลทรงรู้ยิ่งก็พวกเจ้าก็สามารถตอบได้ว่าก่อนที่ท่านนบีจะมาเนี่ยเราเป็นกลุ่มชนอาหรับที่แตกแยกแร่ร่อนไม่มีศักดิ์ศรีทำความชั่วทำบาปทำชัรวิ่งพอท่านนบีมานี่ก็ให้เราเป็นกเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีศักดิ์ศรีมีมีเกียรติยศมีศาสนามีความศรัทธาพวกท่าน ตอบแบบนี้และถ้าตอบว่าและก่อนที่ข้าพเจ้าจะมามาดีนั่นเนี่ยข้าพเจ้าเป็นยังไงเสด็องซอลก็ บ, บอกว่าลอร์ดซูนเนี่ยส่งรู้ยิง่งบอกว่าพวกเจ้านี่ก็ตอบได้ว่าฉันนี่อยู่ที่มักก้านนี่ไม่มีใครสนับสนุนฉันเลยไม่มีที่พัดพิงเลยไม่มีใครช่วยฉันเผยแผ่ อ, อิสลามเลยจนกระทั่งพวกเจ้านี่ เปิดเมืองเปิดประตูบ้านให้ข้าพเจ้านี่มาอยู่ที่นี่สนับสนุนข้าพเจ้าในการเผยแพร่อิสลามพวกเจ้าสามารถต่อแบบนี้ได้โอชาออนซอรอย่าน้อยใจพอข้าพเจ้าให้ทรัพย์เฉลยอันเล็กน้อยของดุนยานี้ให้บางคนเพื่อให้หัวใจเขาสนิทสนมกับอิสลาม แต่สิ่งที่พวกเจ้าได้มานี่ก็คืออัลลอฮ์และรสูิโอ้ชาวอังซอถ้ามนุษย์ทั้งหลายนี่ไปในทิศทางทางหนึ่งและชาวอังซอเนี่ไปอีกทางหนึ่งข้าพเจ้าจะเลือกทางของอังซอรโอ้ชาวอังซอพวกเจ้านี่คือเสื้อชั้นในของข้าพเจ้าและคนอื่นนี่ก็คือเสื้อชั้นนอกก็หมายถึงว่าพวกเจ้านี่ ใกล้คิดที่สุดละผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะไม่ไม่มองไม่มองการให้เงินและทรัพย์เนี่ยในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นมาตรวัดว่าอัลลอฮ์ละระซุลเนี่รักไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเนี่ยที่เขาจะรู้รู้ว่าอัลลอฮ์ะระซุลพอพระทัยกับตัวเขาหรือเปล่านี่อัลลอ์ก็เลยสอนมารยาทผู้ศรัทธาฮัสบุนอัลลอฮ์ ล, ลเอเป็นกอล้วสึ่งรับ สิ us, Lord, ah, ah ่งที una, li, ่นัลละวะมินฟดลีวะรษูลโดยที int, ่อัลลอฮัลลอฮ์นี่จะส่งประทานแก่เราจากความกรุณาฟดลีความกรุณาความโปรดปรานของพระองค์และรษูลก็จะให้ด้วยอินนาอิลลอหลรา ب ุนแทจริงแด่อัลลอฮ์เท่านั้นพวกเราเป็นผู้วิงวอนพวกเราปรารถนาปรารถนาอยากได้ความเมตตาความความพอพระทยจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ا ل ى เท่านั้นไม่ต้องรำรู้วย ไม่ต้องมีอํานาจกว้างขวางไม่ต้องมีบา ร, รมีล้นฟ้าเราได้รับประทานอาหารฮาลาลได้นุ่งเครื่องนุ่งห่มที่ฮาลาลได้ทาหน้าที่อับดุล์ต่ออัลลอฮ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรารู้ตัวว่าแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ะกษัตริย์ะเพราะประเทศไทยถึงแม้ว่าเราไม่ร่ํารวยไม่ได้มีอํานาจบา ร, รมีล้นฟ้านี่อันนี้ก็เพียงพอแล้ว ชาวอันซอนเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆนะเขาทำดามโอซียสคมสั่งเสียของท่านนบีเวลามีเรื่องการบริหารปกครองอะไรเนี่ยชาวอันซอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ท้ายแถวไม่ค่อยไม่ค่อยมามาแบ่งเค้กมาแย่งอำนาจนู่นนี่นะชาวอันซอนแต่สิ่งที่เขาได้การันตีจากท่านนบีสูลาะห์อะลัยฮุสเซลามันตอิมะมุฮารีเลมุสลิมอายตุลอีมานิฮุบุลอันซร สัญญาณของอีมานเนี่ยคือการรักไข่าชาวอังสอร์อุษานี่ยถึงนึกวานบีกำหนดเป็นเงื่อนไขของอีมานมันอะไรจะอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเงื่อนไขของอีมานาี่ต้องรักชาวอังสอรต้องรักชาวอังสอรเพราะอะไรเพระเรื่องนี้เรื่องที่เขาเขาไม่ไม่ไม่เหลวไหลไม่ไม่สนใจเรื่องเรื่องดุนยาเรื่องทรัพย์เรื่องบารมีเรื่อ ง, อ ง, รรองตำแหน่ง ก็ไม่ได no. Part ้มองว่าอัลลอฮ์จะให้นบีจะให้ทรัพแค่ไหนให้ปะกาศสอดคล้องทรัพย์เฉลยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มองถึงมองว่าเขาได้ทําหน้าที่ในการสนับสนุนนบีในการช่วยเหลือท่านนบีทาหน้าที่เต็มที่หรือยังพอมาถึงเรื่อง خلاف ะนบีเสียชีวิตแล้วจะเรื่องแต่งเาะชาวอันซอรบางคนเนี่ยก็บอกว่าเรามีมีผู้นําจากเราจากชาวอันซอรคนหนึ่งผู้นําจากมุฮัจิรินคนหนึ่ง ว่าเออว่ากระแล้มาร์พูดชาวอังซอรเนี่ยถอยทันทีเลยคือเขาเน้นถึงสมัยท่านนาบีนนท่านนาบียูนี่น่ยเขาเขาจะไม่เขาจะไม่มุ่งที่จะไปแย่งอะไรของโลกดุนยาเนี่ยเขาก็ถอยถอยเลยถอยแล้วก็ยอมให้คนอื่นได้เป็นผู้นำทุกกรณีทั้งนี้จะให้หรือไม่ให้เนี่ยเรื่องสอดรกานเรื่องซับเฉลยเนี่มันมีกติกามีหลักการ มีเงื่อนไขมีคุณสมบัติเพราะฉะนั้นอายาัถัดมานี่ก็เป็นอายะเกี่ยวกับเรื่องสกาสดโซดะคอเนี่ยเป็นสิทธิของไข่เนี่ยอาทิตย์ห น, น้ชาชอลาโดมาอาธิบายเรื่องนี้เนี่ยน่าจะอายัดเดือนอย่แล้เพราะมีเรื่องเยอะเกี่ยวกับแปดจำพวกนี่เนะ่ยแดจำพวกเนี่ยมีสิทธิ์รับสกาดเนี่ยเนี่ยมีมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากต้องเรียนรู้กันนะครับในยุค ป, ปัจจุบัน มุลิมเราไปนับหน้ามิ้ำทำไหม่องกถาันหน้าในนี้เรายังไม่เราเคยถาบันมองหนทีเ็าจาด้วยความเชื่อด้วยความกทุกอย่างก่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ย มันถูกล้างหมดไม่ใช่เร่งสาบานอย่างเดียวทุกเรื่องเรื่งสาบานด้วยอื่นจากอาลัลลอฮ์นี่มั น, ม, นมันบาปอยู่แล้วไงก็ทุกบาปไปละที่เราทําตอนที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนนะพอเป็นพอรับอิสลามแล้วนี่เหมือนกับลบล้างหมดไม่ใช่เร่งสาบานไม่ใช่เร่งสาบานด้วยพระนามอื่นด้วยอํานาจอื่นจา ก, กอาลัลลอฮ์นะทุกเรื่องเลยนะครับเราจะไม่ต้องกังวลเร่องอื่นด้วยทุกเรื่องไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลรายละเอียดทุกเรื่อง แม้กระทั่งความคิดความคิดอะไรคำพูดอะไรบางอย่างที่มันที่มันบาปไม่ถูกต้องกันนะทั้งหมดเนี่ยถูกลบถูกลบล้างหมดแต่หน้าที่ของเราเนี่ยพอรับมิสลามแล้วเราก็ต้องศึกษาแล้วก็รู้อะไรที่ผิดอะไรที่ไม่ผิดถ้าในขณะที่เรากำลังศึกษาเนี่เรายังศึกษาไม่ถึงเราพยายามศึกษาอยู่แต่ยังศึกษาไม่ถึงบางเรื่องที่มันบาปแต่ไม่รู้ว่ามันบาปอั น, นี้เราก็ยังให้อภัยอยู่นะ เพราะเรายังศึกษาไม่ถึงสบายใจ